เจ้าท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจมุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอย่างมั่นคง ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้มันทำบุญให้ทานให้มันรักษาศีลคือให้มันละการกระทบาปทั้งปวงและให้มันชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัด ความโลภ ค, ความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่ากระถินการคือเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำถึงวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสอง เป็นเวลาหนึ่งเดือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพุทธธานิยาตให้สาธุชนพุทธบริษัทนำผ้าพจีวรที่เรียกว่าผ้ากะถินไปถวายตามอารามต่างๆเนื่องจากในสมัยพุทธกาลนั้นทรงเห็นความยากลำบากของ ภิกษุสมณะเองที่ไม่มีจีวรไหวครองพอเพียงมีการเพียงคนละผืนหรือหนึ่งใบพอเปียกฝนผ้าจีวรเปียกก็จะไม่มีผ้าจีวรในผืนหนึ่งมาเปลี่ยนถึงเวลาจะต้องห่มก็ต้องห่มผ้าปเปียกเปียก อย่างที่มีคณะที่สงอยู่คณะหนึ่งเดินทางไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยจีวรที่เปียกปอนพระองค์ก็ทรงมีความสงสารจึงได้ทรงสอนหรือบอกญาติโยมให้หาผ้ามาถวายกับพระที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือน แต่ทรงให้ถวายได้เพียงในระยะเวลาหนึ่งเดือนเพราะไม่ทรงต้องการให้ต้องเป็นภารกิจที่ยืดเยื้อไปแบบไม่มีจุดจบเพราะภารกิจของพระที่แท้จริงนั่นคือการศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วนำพระธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติ ตามสถานที่วิเวกที่สงบสนัดเช่นตามป่าตามเขาเป็นต้นแต่การมีจีวรไว้ครองไว้สวมใส่ก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นยึงได้ให้มีเวลาถวายกระถินเป็นเวลาหนึ่งเดือนผ้าที่จะนำมาถวายก็ต้องเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวร ให้เป็นผ้าผืนเป็นผ้าขาวยังไม่ซักยังไม่ได้ยอ้อมเพราะจะได้ให้นาให้พระสงฆ์นำเอาไปตัดเย็บตามที่พระองค์ได้ส่งมีบัญญัติเอาไว้คือผ้าของพระสงฆ์นี้ส่งให้ตัดเป็นเป็นแผงแผงแผงกว้างประมาณหนึ่งอกแล้วก็มา มาตัดมาเย็บต่อกันเพื่อจะได้ไม่เป็นผ้าที่สวยงามคือเป็นผ้าปะนั่นเองถ้าเป็นผ้าผืนเดียวก็จะเป็นที่จ้องของมิจฉาชีพได้เวลาไปตากจีวรไว้ในป่าแล้วเผลออาจจะถูกนักขโมยไปได้เพราะเป็นผ้าผืนที่สามารถนำเอาไป ตัดเย็บเสื้อผ้าของคราวะญาติโยมได้แต่ถ้าเป็นผ้าที่ปะตัดเป็นชิ้นๆแล้วมาปักกันเป็นเหมือนผ้าผ้าปะก็จะไม่มีใครอยากจะได้ไปเพราะความจริงในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการถวายผ้ากถินพระสงฆ์ท่านก็อาศัยผ้าปะผ้าบางสกุล ธรว่าผ้าป่าหรือผ้าบางสุขุนนี้หมายถึงเศษผ้าที่ญาติโยมทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆตามกองขยะบ้างตามสถานในป่าชาบ้างหรือเป็นผ้าที่ใช้ห่มศพเป็นผ้าที่พระภิกษุสมัยแรกๆตอนที่ยังไม่มีการถวายผ้ากถินต้องสแสวงหากันหาได้ชิ้นใหญ่ชิ้นน้อย ก็นำเอามารวบรวมไว้พอได้จำนวนมากพอก็เอามาตัดมาเย็บมาปะมาติดมาตอกให้เป็นผืนใหญ่แล้วก็นำไปย้อมด้วยน้ำฝาดคือน้ำที่ต้มจากแก่นไม้ที่จะออกสีเหลืองๆในสบายปัจจุบันนี้เรานิยมเอาแก่นของต้นขนุนมา <c oughs> มาต้ม แล้วก็เอามาซักยอ้อมจีวรของพระธรรมเนียมนี้ก็ยังมีการปฏิบัติตามวัดป่าต่างๆคือวัดป่านี้จะไม่นิยมรับผ้าหรือใช้ผ้าที่ญาติโยมตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วที่ซื้อมาตามร้านค้าต่างๆท่านจะนิยมหาผ้าขาว แล้วมาตัดเย็บเพราะมีประโยชน์หลายด้านด้วยกันคือด้านหนึ่งก็คือไ ด, ได้รู้จักวิธีตัดเย็บจีวรที่ถูกต้องตามพุทานิยาประโยชน์ที่สองก็คือได้ผ้าที่ได้ขนาดเหมาะกับตนเองเพราะผ้าที่ญาติโยมนำมาถวายบางครั้งมันก็ใหญ่ไปหรือบางครั้งมันก็เล็กไป และสีก็ไม่เหมือนกับสีที่ท่านใช้อยู่ในวัดของท่านพอเอาสีอื่นมาท่านก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะในวัดแต่ละวัดนี้จะถือธรรมเนียมใช้ผ้าสีเดียวกันเหมือนกับข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีเครื่องแบบของแต่ละกระทรวงที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องมีให้เหมือนกันในกระทรวงนั้นเพื่อจะได้รู้ว่าสังกัดอยู่ในกระทรวงไหนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็มีวัดหรือสายของท่านเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่สังกัดสายวัดป่าก็จะนิยมซักย้อมผ้าด้วยแกนขนุนแล้วก็มีเอาหินสีแดงมามาฝนกับน้ำผสมกันเข้าไป ก็จะออกมาเป็นสีสีปลกหรือสีกันขนุนนี่ก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเอาผ้าขาวมาตัดเย็บด้วยตนเองเพราะจะได้ไม่ต้องพึ่งพาร้านค้าเพราะร้านค้านี้เป็นเป็นเป็นของคนที่ยังมีกิเลสอยู่และมักจะทำอะไรมักง่ายเพื่อหวังผลกำไร บางครั้งก็ตัดเย็บแบบไม่ละเอียดตะขกตะเข็ดบางทีก็หลุดบ้างขาดบ้างขนาดก็มักจะเล็กกว่าที่ควรจะเป็นเพราะต้องการกำไรมากๆ<ม>ก็เลยหาวิธีลดขนาดลงเพื่อรักษาเวลาคาไว้อย่างเดิมคนซื้อก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้ว่าซื้ออะไรมา คนใส่ก็ไม่ได้ซื้อก็เลยได้แต่ของเหมือนคนตาบอดซื้อมาให้มันก็เลยมักจะไม่ค่อยได้ใช้กันผ้าส่วนใหญ่จึงกลายเป็นผ้าพิธีกรรมไปผ้าที่เขาเอาไปใช้ตามงานศพต่างๆพระไม่ค่อยได้นุ่งห่มผ้าเหล่านั้นกันเพราะมันไม่ได้ขนาดมันไม่ได้สีนั่นเองนี่ก็คือ ประโยชน์อย่างหนึ่งนะในการตัดเย็บจีวรของตนเองและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเสริมสร้างความวิริยะอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรเสริมสร้างสติปัญญาเพราะการจะตัดเย็บจีวรก็ต้องใช้ปัญญาศึกษามีมีขั้นตอนมีขนาดของผ้าที่จะต้องตัดมาต่อมาเย็บ ก็จะได้ใช้เวลาการเย็บผ้านี้เป็นการปฏิบัติไปในตัวส่วนญาติโยมที่มาถวายผ้ากระถินก็จะได้ประโยชน์จากการร่วมกันทำบุญเพราะงานกระถินนี้เป็นงานใหญ่ปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวต่อวัดหนึ่ง ญาติโยมที่ตั้งใจจะไปถวายแก่วัดของตนก็จะรวบรวมกำลังทรัพย์ต่างๆมาจากญาติพี่น้องหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็จะได้นำเอาจตุปัจจัยเงินทองมาถวายเพื่อเป็นการทํานุบำรุงวัดวาอารามเพราะ สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดย่ยอมมีการเสื่อมมีการเสียหายชำรุดทรุดโทรมลงไปถ้าไม่มีการทํานุบำรุงดูแลก็จะไม่สามารถใช้การได้และการทํานุบำรุงรักษาก็ต้องอาศัยปัจจัยเงินทองมาคอยซื้อวัดสดตุต่างๆ หรือจ้างผู้ที่มีความชำนาญมาทำการทานุบำรุงรักษาให้นี่ก็เลยเป็นถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นบุญใหญ่เพราะปีเดียวทำได้ครั้งเดียวและวัดหนึ่งก็รับได้เพียงครั้งเดียวและพระที่อยู่ในวัดก็ต้องอยู่จำพรรษาครบสามเดือน และต้องมีอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปถึงจะรับผ้ากระถินได้ถ้าต่ำกว่านั้นนั้นพรไม่ทรงอนุญาตเพราะว่าการถวายกระถินนี้จะต้องมีพิธีการอุปโภคคือผ้าที่ถวายนี้จะไม่ได้ถวายเฉพาะเจาะจงให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดทรงบัญญัติให้ถวายเป็นสังฆทานเพื่อเป็นของส่วนกลางสง พระสงรูปหนึ่งรูปใดจะไปถือวิสาสะเป็นเจ้าของไม่ได้ต้องมีการอุปโภคโดยสงก่อนการอุปโภค ก, ก็ต้องมีพระอย่างน้อยสี่รูปและพระที่รับอีกรูปหนึ่งพระสี่รูปก็จะทำพิธีอุปโภคว่าพระรูปนั้นสมควรต่อการรับผ้านี้ไปครองไปใช้ เพราะบรรดาพระทั้งหลายให้ความเคารพนับถือยกย่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าอาวาสหรือครูบาอาจารย์ที่จะเป็นผู้ครองผ้ากถิน่นแต่ผ้าที่ได้มานั้นญาติโยมมักจะถวายมากกว่าผืนเดียวดังนั้นพระรูปอื่นก็จะมีผ้าคลอง พอเพียงกันในสมัยปัจจุบันนี้แต่ในสมัยอดีตนั้นเข้าใจว่าจะมีผ้าเพียงผืนเดียวดังนั้นผ้าผืนนั้นก็เลยต้องถวายให้แก่พระที่มีคุณธรรมเป็นที่เคาเรพเลื่อมใสของพระทั้งหลายจึงได้มีจึงต้องมีการอปรุปโุตคือมีการส่วนมีการตั้งยติ ว่าผ้ากระถิ่นผืนนี้เหมาะสมกับพระรูปใดแล้วเมื่อได้ทำการอุปโลงแล้วก็จะช่วยกันนํำเอาไปตัดเย็บซักวัชซักยอ้อมจนเสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวคือผ้ากระถินนี้จะไม่ให้เก็บไว้ข้ามคืนจะต้องตัดเย็บให้เสร็จเรียบร้อยจะกี่ทุ่มกี่ยามก็ต้องทำให้เสร็จ ดังนั้นพระเนรที่อยู่ในวัดจึงต้องมาช่วยกําตัดมาช่วยกันเย็บมาช่วยกันซักมาช่วยกันย้อมจึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความพร้อมเพรียงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความขยันหมั่นเพียรเพราะจะต้องรีบเร่งทําให้เสร็จนี่เป็นอุบายของพระพุทธเจ้าที่ ทรงบัญญัติผ้ากรถิ่นนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์หลายด้านด้วยกันประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์ประโยชน์กับศรัทธาญาติโยมเพราะบางวัดเขาจะมีกรถิ่นที่เรียกว่าจุลกรถิ่นคือจะเอาได้มามาปั่นมามาทักให้เป็นผ้าในวันนั้นเลยหรือวันวันก่อนหน้าหนึ่งวัน วันก่อนที่จะถวายกรถินญาณโยนที่เนาะก็ต้องมาช่วยกันทอผ้าเอาได้มาทอให้เป็นผ้าแล้วก็เอาผ้าที่ทอนั้นมาถวายอย่างนี้เรียกว่าจุละกรถินคือต้องเริ่มตั้งแต่ผ้ายังไม่ได้เป็นผ้าเป็นเส้นได้อยู่แล้วก็เอามาช่วยกันท อ, อก็จะทําให้ญาณโยนต้องช่วยกันผัดกันทอ เพื่อจะให้ได้ผ้านั้นพร้อมกับพร้อมที่จะถวายในวันถวาย <c oughs> นี่คือเรื่องของกรถินในอดีตนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผ้าไม่มีมากผ้าหายากไม่มีโรงงานทอผ้ า, ผาพระจึงไม่ค่อยมีผ้าสวมใส่กันอย่างครบองค์หรือผ้าที่สวง‑‑ก็มักจะเป็นผ้า ที่เป็นเศษผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เอามาเอามาเย็บเอามาปะเอามาตัดเอามาต่อให้เป็นผ้าผืนหนึ่งการถวายผ้าจึงถือว่าเป็นอนิสง์มากในสมัยพุทธกาลเพราะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากนั่นเองแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เรามีผ้าใช้กันอย่าง มากมายมีโรงงานทอผ้าผ้าจีวรนี่แทบจะล้นกุฏิล้นวัดผ้าเลยไม่ได้มีความสำคัญก็เลยเปลี่ยนเป็นปัจจตุปปัจจัยเงินทองที่จะมาทํานุบำรุงดูแลรักษาวัดวาอารามในสมัยอดีตนั้นไม่จำเป็นต้องมีเงินทอง เพราะพระส่วนใหญ่ท่านไม่มีวัดอยู่กันท่านอยู่ตามป่า <c oughs> ตามเขาแล้วท่านก็สร้างกุฏิตามมีตามเกิดหาไม้หาใบไม้มามาสร้างมามูลอยู่กันไปชั่วคราวแล้วพอออกพรรษาก็จะจาริกปิดวิเวกกันไปตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้นในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการถวายเงินทองไว้สําหรับทํานุบํารุงดูแลรักษาวัดวาอารามเพราะพระสมัยก่อนนั้นท่านไม่สนใจกับการสร้างวัดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ส่งสอนให้สร้างวัดนั่นเองส่งสอนให้ปฏิบัติให้สร้างวัดภายในใจให้สร้างพระนิพพานที่เป็นวัดของใจ ผู้ที่มีพระนิภานอยู่ในใจถือว่ามีวัดอยู่ในใจมีสรณะมีที่เพิ่งอยู่ในใจเพราะจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเข้ามาเหยียบย่มทำลายจิตใจได้เหมือนกับจิตใจของพวกเราในสมัยปัจจุบันพวกเราไม่ค่อยสนใจกับการสร้างวัดในใจเราเรากลับสนใจไปสร้างวัด ภายนอกกันทั้งญาติโยมและคาลวะซึ่งก็เพียงแต่มีประโยชน์เฉพาะในการกระทำประกอบพิธีกรรมต่างๆหรือเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเช่นสร้างสาราอย่างนี้ก็จะได้มีที่หลบแดดหลบฝนไว้มาทำพิธีถวายอาหารตักบาทและขบฉันกันแต่ใจไม่ได้ อะไรจากการสร้างวัดวารอารามใจจะได้วัดภายในใจก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติมักคือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางที่มีมักเป็นองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความยำเกรอชอบสัมมา กรรมบรโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิโวอาชีพชอบสัมมาวายโรความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตใจชอบแล ะ, ะนี่ก็เป็นทั้งหมด แประการด้วยกันเป็นปัจจัยหรือเป็นทางที่จะพาให้ไปสู่มรรคผล น, ผนิพพานผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนามรรคผล น, ผนิพพานจาต้องเจริญมากทั้งแประการ น, นี้ให้ครบถ้วนไม่สามารถที่จะละเว้น อ, องหนึ่งองใดไปได้ ตามที่มีความเข้าใจผิดกันในสมัยปัจจุบันที่เห็นว่าการเจริญสมาธินี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นมากไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ก็เลยมีคำสอนแทงขึ้นมาว่าไม่ต้องเจริญสมาธิก็ได้ให้เจริญวิปัสสนาไปได้เลยซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เพาการเจริญวิปัสสนาโดยไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนจะไม่เป็นปัญญาจะไม่เป็นสมาทิฏฐิแต่จะเป็นสัญญาความจำหรือเป็นความคาดคะเนเป็นจินตนาการว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ ภายในใจได้เลยเพราะไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสตัณหานั่นเองสิ่งที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ก็คือสมาธินีเองเวลาทําจิตให้สงบแล้วจิตไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถออกมาเพ่นพ่านได้กิเลสตัณหานีอาศัยความคิดปรุงแต่ง เช่นคิดอยากจะได้นั่นคิดอยากจะได้นี่ก็จะออกมาได้ถ้าไม่มีความคิดเหมือนกับรถยนต์ถ้าจอดอยู่เฉยๆก็จะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้แต่ถ้ารถวิ่งแล้วก็จะสามารถไปตามสถานที่ต่างๆได้ทีเล็ตัณหาก็ต้องอาศัยการความคิดปรุงแต่งของจิตนี่เป็นตัว พาไปสู่สิ่งที่กิเลสต้องการพอเห็นอะไรปั๊มก็จะคิดอยากได้ขึ้นมาคิดว่าสวยคิดว่าดีก็อยากจะได้ขึ้นมาแต่ถ้าจิตสงบนิ่งไม่คิดอะไรจะมีของสวยขนาดไหนดีขนาดไหนจิตตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องไม่รับรู้จิตมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในขณะนั้นคือความสงบ ความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงซึ่สุขอื่นที่จะมีความสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีนัตสันติปารางสุขขังเมื่อจิตได้พบกับความสงบของสมาธิแล้วจะไม่สนใจกับความสุขอย่างอื่นจะอยู่ในนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แต่เนื่องจากกำลังของสติที่ควบคุมให้จิตสงบนี้มันไม่สามารถที่จะให้อยู่ไปได้ตลอดจิตไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถอนออกมาจากสมาธิเมื่อถอนออกมาแล้วก็จะไปรับรู้รูปเสียงกินลนดต่างๆแล้วก็จะไปเห็นไปคิดไปอยากไปได้ขึ้นมาตอนนั้นนตอนนั้นจึงเป็นเวลาที่ควรจะเจริญปัญญา หรือจเจริญวิปัสสนาถ้าอยากได้อะไรก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดบอกว่าสิ่งที่อยากนี้มันไม่สุขมันไม่ดีจริงมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนได้อะไรมาวันนี้ดีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ดีก็ได้ได้คนดีมาพรุ่งนี้อาจจะตายจากเราไปก็ได้ หรือได้คนดีมาในวันนี้พรุ่งนี้กลายเป็นคนไม่ดีไปก็ได้พอกลายไปแล้วก็จะสร้างขวัญทุกข์ให้แก่ใจถ้าสอนใจแบบนี้แล้วอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาและพอใจรู้ปั๊บก็จะหักห้ามจิตใจได้เพราะมีกำลังของสมาธิอยู่นั่นเองแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิต่อให้รู้ว่าไม่ดีอย่างไรก็ยังหยุดไม่ได้เช่นคอนติด สุรายาเมาอย่างนี้ทำไมเขาจะไม่รู้ว่ามันไม่ดีแต่เขาเลิกไม่ได้เขาพยายามเลิกกันหลายครั้งหลายหนแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะหยุดมันนั่นเองไม่มีสมาธิถ้าใครมีสมาธิแล้วรับรองได้ว่าถ้าเห็นอะไรมันเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์แล้วจะเลิกได้ทันทีเลยจะไม่มีความ ลังเลหรือว่ามีความเสียดายแต่อย่างใดนี่คือหน้าที่ของปัญญาหิวิปัสสนาเป็นผู้ชี้บอกจิตว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเมื่อรู้แล้วว่าอะไรเป็นโทษก็จะอาศัยกำลังของสมาธินี้หยุดความอยากนั้นได้เลยถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้ พรพวกเราก็ได้ยินได้ฟังธรรมะกันมาตลอดรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วกันมาตลอดแต่ก็ยังทํากันไม่ได้สักทีรู้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเศษสุรายาเมงไม่ดีก็ยังอดที่จะทําทกันไม่ได้เลิกไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะไม่มีกํำลังของสมาธินั่นเอง ดังนั้นยังขอให้เราจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าการที่จะบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนนั้นจาต้องเจริญมากทั้งแปให้ครบท้วนบริบูรณ์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรก็จะได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมพอเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า เราก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด <c oughs> อะไรดีอะไรชั่วอย่างวันนี้เราก็ได้ฟังแล้วว่ามรต้องมีองคศาถึงจะถูกถ้ามรกมีเพียงองค์เจ็ดไม่มีสัมมาสมาธิอย่างนี้ไม่ถูกจะไม่เกิดผลตามที่ต้องการนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง เป็นอนิสงส์จากการฟังเทศฟังธรรมเป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเราต้องรู้ก่อนว่าไปทางไหนไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกหรือไปตะวันตกไม่ใช่ไปแบบส่งเดชไปแบบไม่รู้ทิศทางอย่างนี้ไปเดินไปเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถ ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไปได้ดังนั้นในเบื้องต้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติธรรมต้องรู้ก่อนว่าจะปฏิบัติอะไรและไม่ปฏิบัติอะไรจะต้องเจริญอะไรจะต้องละอะไรถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะปฏิบัติไปแบบผิดผิดถูกถูก แล้วก็จะพาให้คนอื่นเขาปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกไปด้วยทำให้หลงทางกันไปใหญ่ศาสนาของเราทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยจะเจริญทางด้านการปฏิบัติก็เพราะว่าไม่ค่อยมีความสนใจต่อการศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันส่วนใหญ่จะ สนใจอยู่เพียงแต่การไปกราบพระตามวัดวาอารามต่างๆจุดธูปเทียนสัมปะรดบราจากเงินใส่ตู้แล้วก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ทำกันมาตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้อย่างที่ตนเองขอสักทีเพราะว่าการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ควรจะได้ สิ่งที่ควรจะได้นี้ต้องเกิดจากการกระทำเรียกว่าการทำบุญละบาปการชำระกายวาจาใจให้สะอาดโดยสุดเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือสิ่งที่ควรจะ อ, อยากจะได้มากที่สุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่าไปอยากร่ำรวยอย่าไปอยากมีตำแหน่งสูงๆอย่าไปอยากให้ คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับจิตใจมันไม่ได้ทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์แต่กลับผูกใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์มากยิ่งขึ้นเพราะเวลาขออะไรได้ดังใจแล้วก็มีอย่างอื่นอยากจะขออีกจะขอไปเรื่อยๆและเมื่อไม่ได้ดังใจก็จะเสีย อ, อกเสียใจเกิดความทุกใจขึ้นมา เพราะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์นั่นเองการจะดับความทุกข์ได้นี้ต้องมีมั่แปหรือมีการทําบุญละบาปการชำระความโลภความโกรธความหลงถ้ายัางมัวไปเสริมสร้างความอยากความหลงอยู่อยากจะได้อะไรก็ตะเกียกตะกายหามาพอได้มาก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก ก็ต้องตะเกียตะกายหามาอีกพอไม่ได้ก็จะเสียอกเสียใจหรือพอสูญเสียไปก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าตัดความโลภได้ก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มีความเสียใจเวลาไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้อยากนั่นเองยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ได้ไม่มีก็ได้ อย่างนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ใจและเมื่อสิ่งที่มีอยู่สูญจะสูญเสียหรือจากไปก็จะไม่เศร้าสุขเสียใจแต่อย่างใด mm hmm. นี่ทางห่างคือสิ่งที่วิเศษคือความไม่มีความทุกข์ถ้ามีอย่างอื่นแล้วก็ยังจะหนีความทุกข์ไม่พน้นต่อให้เป็น ปธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีก็ยังหนีความทุกข์ไปไม่ได้เพราะการเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะดับความทุกข์ภายในใจแต่กลับจะสร้างความทุกข์ภายในใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันดังนั้นเราอย่าหลง ไปกับกระแสของความหลงของโลกที่มุ่งไปกับการแสวงหาลาภชดสรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นการสร้างความทุกข์สร้างกองทุกข์ให้แก่ใจและจะนำพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเราต้องพยายาม ศึกษาประพุติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นวิถีถทางอันเดียวที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันทั้งหลายได้บําเพ็ญมาแล้วและได้ไปถึงจุดนั้นแล้วและทรงมีพระเมตตากลับมาสั่งสอนพวกเรา แล้วก็มีผู้ที่สนใจรับไปปฏิบัติและได้รับประโยชน์แล้วมาเป็นจนนานวนมากประโยชน์นี้ก็จะอยู่ในวิสัยของพวกเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไม่อยู่ในไม่อยู่เหนือวิสัยของพวกเราทุกคนที่จะสามารถไขว่คว้าเข้ามาเป็นสมบัติของเราได้ไปในชาตินี้ด้วย ไม่จำเป็นที่จะต้องรออีกหลายพบหลายชาติถ้าเรามีความมุม่มันนมีความอุตสาหะมีความพอใจมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามแล้วภายในชาตินี้ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สุดเอื้อมสามารถทำได้เพราะมีคนหลายคนที่ทำกันได้แล้ว ที่พวกเรากราบไหว้บูชากันมาจนถึงทุกวันนี้แม้ในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันท่านก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่มีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจเพียงแต่ว่าพอท่านได้สัมผัสรับรู้พระธรรมคําสอนของพพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธา เกิดความอยากที่จะพุทธปฏิบัติและก็ปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัดด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนไม่ทอดไม่ท้อแท้ไม่หวาดกลัวต่อความทุกข์ยากลำบาก ท, ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจนท่านได้รับผลที่ท่านปรารถนาพวกเรานั้นเป็นพวกทับผีในหม้อกแกงคือเราฟังกันเรา แต่จิตใจไม่ได้สืมทราบรสชาติของพระธรรมคําสอนเหมือนกับทัพทีที่ไม่ได้สืมทราบรสของแกงพวกเราควรที่จะเป็นพวกที่เป็นเหมือนลิ้นกับแกงลิ้นนี่เพียงแต่สัมผัสรสของอน้ําแกงเพียงหยดเดียวก็จะรับรู้ทันทีรสชาติของแกงว่าเป็นอย่างไรถ้าพวกเราฟังเทศฟังธรรมแล้ว ยังไม่ได้เกิดมีฉันทะวิริยะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติแล้วแล้วก็แสดงว่าพวกเรายังเป็นเหมือนทัพพีในหม้ อ, อกแกงอยู่แต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วเกิดฉันทะวิริยะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติขึ้นมาให้มากยิ่งขึ้นไปนั่นแสดงว่าใจของพวกเรานี้เป็นเหมือนลินแล้วได้สัมผัสรับรู้รสชาติแห่งธรรมแล้ว รู้แล้วว่าไม่มีรถอันใด จ, จะเหนือกว่ารถแห่งธรรมรสแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามามอบให้กับพวกเราพวกเราถือว่าโชคดีว่าสนาดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระธรรมคําคสอนเพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ ช่นสุนัขที่อยู่อาศัยในวัดนี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากลดแห่งธรรมเลยเพราะเขาไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและเขาไม่มีความสามารถที่จะทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้มีแต่มนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติได้และเมื่อได้พบพระพุทธศาสนาแล้วและอยากทำตัวเป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อกแกงก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะช่วยอะไรได้ ถ้าเรายังเป็นทัพพีอยู่ก็ขอให้เราพลิกให้เป็นนิ้นขึ้นมาเถิดเพื่อเราจะได้รับอนิสงส์อนเลิศอันประเสริฐนี้กันจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ